ข้อความในพระสุตตปิฎกคุตกานิกายจุลนิเทศวันนี้มาขึ้นปุณณะมานวากะปัญหานิเทศที่สามเนี่ยผ่านไปแล้วสองท่านท่านพระปุณณะทูลถามดังนี้ว่าข้าพระองค์มีความประสงค์ด้วยปัญหาจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ไม่มีตัณหาเครื่องวันไหวผู้เห็นมูล ฤาษีมนุษย์กษัตริย์และพรามเป็นอันมากในโลกนี้อาศัยอะไรจึงพากันสแสวงหายันให้แก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์เนี่ยจงตรัดปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์เถิดก่อนที่จะอธิบายคำถามเนี่ ย, ยก็ท่านพระปุณกกะท่านก็ชมพระพุทธเจ้าก่อนว่าพระองค์นี้ เป็นผู้ไม่มีตัญหาเครื่องวันไหวคำว่าผู้ไม่มีตันหาเครื่องวันไหวเนี่ยนะซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้านั้นอธิบายว่าตัววันไหวจริงๆอ่ะเป็นชื่อของโลภะโลวันไหวด้วยอานาจโลภะตัหาราคาสราคาอภิชาโลภะอกุศลมูลเรียกว่าความวันไหวตันหาอันเป็นความวันไหวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้ว ทรงละขาดแล้วตัดรากขาดแล้วทำให้ไม่มีที่ตั้งดุจตาลยอดด้วนถึงความไม่มีมีความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่มีความหวันไหวพระองค์เป็นผู้ไม่มีความวันไหวด้วยอำนาจตันหาเพราะว่าตันหาของพระองค์นั้นถูกอรหัตตมรักเนี่ยเฉือนไปเรียบร้อยแล้ว ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าอานชะเพราะพระองค์นทรงละตันหาเครื่องหวันไหวขาดแล้วย่อมไม่ทรงหวันไหวเพราะลาบแม้เพราะความเสื่อมลาบเพราะยศเพราะความเสื่อมยศแม้เพราะสรรเสริญและเพราะนินทาแม้สุขแม้ทุกข์เพราะนั้นความวันไหวด้วยอํานาจโลกกระทำแปดเนี่ยไม่มีสําหรับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถือได้โลกกระทำฝ่ายดีพระองค์ก็ไม่ไม่โฟะไม่ดีใจเลยไม่ดีใจเพราะลาบ เพราะยศเพราะสรรเสริญและก็เพราะความสุขเนี่ยนะเช่นว่ามีบุคคลเนีเอาดอกไม้เครื่องหอมเครื่องสการะทั้งลานเนี่ยนะเอาอาหารขนมาเป็นลำเกวียนเป็นต้นเนี่ยพระองค์ไม่โสมันัดเพราะเหตุแห่งสิ่งนั้นเลยเนี่ยนะหรือในขณะที่มีประชาชนคนห้อมล้อมเทวดาและมนุษย์ห้อมล้อมพระองค์อยู่เนี่ยนะพระองค์ไม่ได้ดีใจเพราะว่าเมื่อมียศคือมีบริวารมีคนมาห้อมล้อมพระองค์แบบนั้น หรือพระ อ, องค์เนี่ยได้ฟังเสียงสรรเสริญที่เขาชมทั้งต่อหน้าและรับหลังเป็นต้นพระ อ, องค์ก็ไม่ฟูขึ้นหรือแม้พระ อ, องค์ น, นะลมเย็นสบายเนี่ยนะได้รับอากาศที่ดีดีอุตุสปายะเป็นต้นเนี่ยพระ อ, องค์ก็ไม่ไม่ได้ฟูขึ้นอะไรนในฝ่ายดีนะพระ อ, องค์ไม่มีตันหาในในโลกธรรมฝ่ายดีเลยไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญและความสุขในขณะเดียวกันเนี่ยความเสื่อมลาบความเสื่อมยศ นินทาความทุกข์เนี่ยพระองค์ก็ละหมดแล้วละความเสียใจจริงๆแล้วนะใครที่รู้ว่าตัวเองจะเสื่อมลาบโดยมากก็จะหวัน่นไหวเช่นจะเสียข้าวของเงินทองเสียอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะขึ้นชื่อว่าเสียนี่คนไม่ค่อยชอบนะหรือว่าจะต้องเสื่อมจากบริวารยศถูกเขานินทาได้รับความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ปกติของซาทั้งหลายก็คือเสียใจมันพระองค์นี้ไม่เป็นแบบนั้น เพราะนั้นพระองค์นี้ไม่หวั่นไหวไม่หวัน่นไม่ไหวไม่คลอนแคลนเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอาเนชะนันตัญหาที่เป็นเหตุให้หวั่นไหวเพราะได้ลาบหวั่นไหวเพราะปรารถนาลาบเป็นต้นไม่มีต่อไปว่าคำว่ามู ล, ลทัศวีที่แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเห็นมูลความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นมูลคือทรงเห็นเหตุทรงเห็นนิทานทเห็นสมภพเห็นสมุทฐาน เห็นอาหารเห็นอารมณ์เห็นปัจจัยเห็นสมุทยัยนี่นะปัณมูลเหตุนิทานปัจจัยสมุทัยเนี่ยพระองค์เห็นหมดถามว่ามูลน่ะคืออะไรก็คืออกุศลมูลสานี่นะพระองค์รู้ทั้งที่เป็น ท, ทั้งที่เป็นกุศลมูลและอกุศลมูลอกุศลมูลก็คือโลพาอกุศลมูลโทษาอากุศลมูลโมหะอากุศลมูล จริงแล้วชาวนาจิตทั้งหลายว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าได้รับอิทธารมมูลของความคิดจิตเจตสิกจิตตชรูปในขณะนั้นเนี่ยโลภะเป็นมูลเป็นรากเงาหรือในขณะที่รับอนิถารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็มีโทสะเป็นอกุศลมูลเนี่เป็นมูลเป็นรากเงาเป็นมูลทั้งจิตเจตสิกขณะนั้นเป็นมูลทั้งจิตตะชรูปนี่ ยกง่ายว่ากำลังเล่นกีฬาด้วยความเพลิดเพลินเป็นต้นเนี่ยนะจิตเจตสิกจิตตะชูบที่วิ่งหัวเราะรา่าเริงทั้งหมดเนี่ยมีโลภะเป็นมูลหมดเลยเนี่ยนะโลภะกับโมหะเนี่ยเป็นมูลถ้าในขณะที่เครียดไม่สบายใจหงุดหงิดเศร้าใจซึมใจเนี่ยนะพวกนั้นขณะนั้นทั้งหมดพฤติกรรมคําพูดทุกอย่างเกิดจากโทสะเป็นมูลโมหะก็สัมปยุทธ์ ด, ด้วยหมดนั่นแหละ ทีนี้อกุศลมูลเหล่านี้มันเป็นเหตุแห่งกรรมเป็นเหตุแห่งกายกรรมเป็นเหตุแห่งวจีกรรมมโนกรรมเพราะว่าขณะใดาที่โลภะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นนึกคิดในใจเฉยๆเนี่ย น, นะก็เป็นมโนกรรมแปล่งมาทางวาจาก็เป็นวจีกรรมพฤติกรรมวิญยัตขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทางกายก็เป็นกายกรรมเนี่ยนะถ้ามีกําลังแรงกว่า น, นั้นก็ถึงกับล่วงอกุศลกรรมมาบด ถ้าล่วงอกุศลกรรมบทนั้นหมายถึงว่าประตูอาบายเปิดขึ้นแล้วตรงนั้นสมจริงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเหตุแห่งความเกิดขึ้นแห่งกรรมสามประการนีนนะ้ตัวเหตุเหตุของกรรม น, นะก็คือโลภะโทสะและโมหะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเทวดามนุษย์หรือสุขติอย่างใดอย่างหนึ่ง แม่อื่นย่อมไม่ปรากฏเพราะกรรมเกิดจากโลภะเพราะกรรมเกิดจากโทสะเพราะกรรมเกิดจากโมหะมันเวลาเห็นเทวดาเห็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยให้รู้เธอว่าไม่ได้เป็นผลของโลภะโทสะและโมหะเลยที่ที่ทำให้เกิดในสุขติแบบนี้ดูความพิสูนทั้งหลายโดยที่แท้นรกกาเนิดศาสเดรชาน ปิติวิสัยหรือทุคติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นย่อมปรากฏเพราะกรรมเกิดจากโลภะเพราะกรรมเกิดจากโทสะเพราะกรรมเกิดจากโมหะมาแน่จักจันทร์จิ้งเรดเรไรที่มันร้องระ ง, งพลายอยู่นี่ก็เป็นผลของอะไรก็โลภะโทสะโมหะนะั่นแหละถ้าไม่มีโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรอกุศลมูลสามประการคือโลภะโทสะโมหะนี้เพื่อความเกิด แห่งอัตภาพในนรกอันร่างกายของสัตว์นรกก็เกิดจากโลภะโทสะโมหะหรือการเกิดในกําเนิดเดรชานหรือเกิดในปิติวิสัยเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ทรงเห็นมูลก็คือเห็นมูลอย่างนี้แปลว่าถ้าเห็นเดรชานเนี่อรู้ไว้มูลของการเกิดเป็นเดรชาเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกเนี่ยมาจากไหนมูลของการปฏิสนธิณะที่นั้นก็คือโลภะโทสะและ โมหะนะันอันนี้เอาไปเจริญได้เลยเห็นหมูหมากาไก่เห็นปลวกจักจันทริ่งรีตรัยมดแมลงคาบไข่ทั้งหลายเนี่ยก็ให้รู้ว่านั่นแหละเป็นผลของโลพะโทสะและโมหะอัตภาพเหล่านี้เกิดจากโลพะโทสะและโมหะพระองค์เนี่ยเห็นมูลแบบนั้นของเราก็พยายามตรึกถึงมูลพี่ารณาถึงมูลตามที่พระองค์แสดงเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆ ส่วนกุศลมูลมีสามประการคืออโลภากุศลมูลอโทสะกุศลมูลอโมหะกุศลมูลเนี่ยนะกุศลอโลพะอะโทสะเ น, นี้ยเป็นมูลทั้งที่เป็นกายสุจริตรวจีสุจริตและมโนสุจริตสมจริงตามพระพุ ท, ทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่ากุศลมูลสามประการนี้เนี่ย ก็คืออะโลภ ะ, ะกุศลโมลูหนึ่งอโทสะกุศลโมลูหนึ่งอะโมหะกุศลโมลูหนึ่งดูก่อนพิสูจทั้งหลายนรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานปิติวิสัยหรือทุกคติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นย่อมไม่ปรากฏเพราะกรรมเกิดจากโลภะเกิดจากโทสะหรือเกิดจากโมหะโลภะโทสะโมหะไม่ได้เกิดจากกุศลมูลเลยขออภัอย นรกเปรตอสุรกายเดรชาณนมูเดรชาณเป็นต้นไม่ได้เกิดจากโลพาโทสะโมหะอทำไมพูดผิดไปทำไมอันนีที่บอกว่าดูกรรมพิสูนทั้งหลายนรกกาเนิดสัตว์เดรชาณปิติวิสัยหรือทุกขติอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมไม่ปรากฏเพราะกรรมเกิดจากอโลพาอโทสะและอโมหะหมายถึงว่าอโลภาอโลภะ อโทสะมโมหะไม่ได้เป็นเหตุแห่งอบายทุกขติวินิบาตินรกเหนกดูกวามพิสูจทั้งหลายโดยที่แท้เทวดามนุษย์หรือสุขติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นย่อมปรากฏเพราะกรรมเกิดจากอะโลภะเพราะกรรมเกิดจากอโทสะเพราะกรรมเกิดจากอโ ะ, ะกรรมกกอโมหะดูกวามพิสูจทั้งหลายกุศลมูลสามประการนี้เพื่อความเกิดขึ้นแห่งอัตภาพในเทวดาและในมนุษย์เนี่ยนะ อันเนี้คือเป็นมูลของมนุษย์ น, นั้นเห็นมนุษย์เนี่ยนะไปในเมืองเป็นต้นเนี่ยนะแต่เห็น <c oughs> เห็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่เห็นเนเนี่ยให้รู้เถะว่าเข้ามาจากกุศลมูลคืออโลพาจากอะโทสแล็กมาจากอโมหะอะโลพะอะโทสอะ โ, โมหนะนั่นแหละเป็นเหตุให้เขาเกิดในสุขติได้อย่างนี้เนี่ยนะ อันนั้นก็ถือว่าเป็นมูลนะพยายามคิดถึงมูลเลยนะเห็นอบายภูมิคือเดราชานเป็นต้นก็พยายามระลึกถึงมูลว่าเออมาจากโลภาโทสะโมหะเห็นมนุษย์เทวดาเป็นต้นเนี่ยนะเขามาจากกุศลมูลคืออโลภาอโทสะและอโมหะและสมจริงตามพระพุ ท, ทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลาย ธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอกุศลเป็นส่วนอกุศลเป็นฝ่ายอากุศลธรรมะทั้งหมดนั้นมีอวิชชาเป็นมูลมีอวิชชาเป็นที่รวมมี อ, มอวิชชาอันอรหัตตมักํำจัดได้ย่อมถึงความเพิกถอนทั้งหมดนี่นะก็ปกติก็เป็นอย่างนั้นนะว่าอาวิชชาเนี่ยมันเป็นมูลของบาปทุกชนิดอกุศลทุกอย่างเกิดจากอาวิชชาทั้งนั้นล อวิชาเป็นที่รวมเป็นที่ประชุมเป็นประธานของบาปประธรรมทุกชนิดไม่ว่าบาปประธรรมเหล่านั้นจะเป็นโลกเกิดร่วมกับโลภะโทสะหรือพฤติกรรมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรร ม, รรมใดก็ทำกรรมนั้นทั้งหมดที่เป็นบาปเนียวิชาเป็นมูลแต่อวิชาเนี่ยจะถูกเพิกถอนได้ก็อาศัยอรหัตตมักเดี๋ยนะอรหัตตมักเนี่ยเป็นปัวเพิกอวิชาพัะมูลแห่ง สัตว์ทั้งหลายหรือมูลแห่งบาปประทมทุกชนิดพระองค์ก็เห็นการที่จะกำจัดอวิชชาที่เป็นมูลเหล่านั้นพระองค์ก็เห็นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้เห็นมูลและสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพี่สูทั้งหลายธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลเป็นส่วนกุศลเป็นฝ่ายกุศลธรรมะทั้งหมดนั้นน่ะมีความไม่ประมาทเป็นมูล มีความไม่ประมาทเป็นที่รวมความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรมะเหล่านั้น น, นะนะกุศลมูลนะกุศลธรรมทั้งหมดนี้เกิดจากความไม่ประมาทคาว่าความไม่ประมาทเนี่ยเป็นชื่อของการอยู่ไม่ปราศจากสติก็คือการมีสติถามว่าสตินั้นอะที่ทำให้ไม่ประมาทก็สติที่เกิดร่วมกับอะไรก็คือสติที่เกิดจาก อโยนิสโสมนสิการเกิดจากความเป็นผู้มีศรัทธาเกิดจากการฟังมาอย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนมาจนเพียงพอเนี่ยนะคือฟังในไตรสิกขาอธิศีนอธิจิตอ ธ, อ ธ, อธิปัญญาสิกขาเมื่อฟังเราอย่างเพียงพอเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยมีสติขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่มีสติก็คือขณะที่ไม่ประมาทขณะที่ไม่ประมาทขณะนั้นต้องเป็นไปกับกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง นะคือเป็นไปกับทานเป็นไปกับศีลเป็นไปกับภาวนาเป็นต้นน่นนะอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะขณะนั้นจึงจะเรียกว่าไม่ประมาทนั้นความไม่ประมาทเนี่ยเป็นที่รวมแห่งกุศลธรรมนั่นนะความไม่ประมาทอันที่จริงแล้วยังเป็นกามมาวจรแต่ถือว่าเป็นเป็นปัจจัยที่สำคัญแห่งชาณจิตความไม่ประมาทนั้นถือเป็นกุศลที่เป็นอุปนิสัยแห่ง ชาญาจิตทั้งหลายทั้งที่เป็นรูปฌานอรูปฌานมหากุศลเหล่านี้เนี่ยเป็นมูลเนี่ยนะหรือเป็นอุปนิสัยให้อรหัตตมัคเกิดได้อะเพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยโดยที่สุดแม้อรหัตตมัค ก, ก็มีความไม่ประมาทเนี่ยเป็นที่รวมเป็นประมุกเป็นหัวหน้าเป็นประธานเนี่ยนะ